ทรงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเทราจารย์ที่สำคัญของไทยหลายต่อหลายรูปแต่ที่ว่ากันว่าใกล้ชิดมีอยู่สองรูปคือพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดอรธานีและพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาสพิกขุแห่งสวนโมคบพลารามจังหวัดสุราธานี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 พระรา ช, ชัยกวีเงื้อมอินทปัญโยภายหลังได้เป็นที่พระธรรมโกษาจารย์หรือที่รู้จักกันในชื่อท่านพุทธธาตุภิกขุแห่งสวนโมขะพลารามจังหวัดสุรา ธ, ธานีพระราชสิทธิมุนีโชโดกญาณสิทธิภายหลังได้เป็นที่พระธรรมธีระราชมหามุนีวัดมหาธาตุพระปัญญานันธมุนีปั่นปัญญาณนันโท ภายหลังได้เป็นที่พระพรมมังคลาจารหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชนละประธานรังสฤษจังหวัดนนทบุรีพระมหาบัวญาณสัมปันโนภายหลังได้เป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลวัดป่าบ้านตาัดจังหวัดอุดรธานีเล่ากันมาว่าในระยะเริ่มต้นของการฝึกอบรมพระธรรมทูตนั้น บางครั้งได้ไปอบรมพระธรรมทูตที่สวนโมกอำเภอชัยยาจังหวัดสุรา ธ, ธานีเจ้าพระกุลและท่านพุทธทาสพิคุใช้วิธีการฝึกฝนบรรดาพระพิสุตามธรรมเนียมดั้งเดิมแบบยุคพุทธกาลกระทั่งว่าเมื่อบินธบาตกลับมาแล้วให้พระสงฆ์ฉันพัฒหารอยู่ตามโคนไม้เมื่อถึงเวลาอนุโมทนาท่านก็จะไม่ให้สวดมนต์เช่นที่เคยทำกันมา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 ก็จะท่งขออนุญาตเจ้าอาวาสของวัดนั้นสวดปฏติโมกให้พระสงฆ์ในวัดนั้นฟังโดยทรงกล่าวกับเจ้าอาวาสว่าขออนุญาตสวดปฏติโมกถวายซึ่งเป็นเรื่องที่หายากมากที่พระผู้ใหญ่ระดับนี้จะสวดปฏติโมกเองอย่างไรก็ตามหลังจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมามากมายกระทั่งได้รับการยอมรับว่า